กลับมาพบกับธมุฟังอีกครั้งหนึ่งขราพเจ้าพระไปบุญอาภิบุณโณจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกันแล้วก็พูดคุยธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของอาการความเป็นอยู่ในชีวิตความเป็นอยู่ของพระอริยเจ้า ว่าพระอริยเจ้าหรือคนที่เรียกว่าเป็นคนประเสริฐเนี่ยเขมีชีวิตความเป็นอยู่กันอย่างไรต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าคนประเสริฐอริยะบุคค ล, ลบุคคลผู้ประเสริฐหลายๆคนก็จะใช้ทับศัพท์ภาษาบาลีเรียกว่าอริยะบุคคลแปลเป็นไทยก็คือบุคคลประเสริฐซึ่งในความหมายที่พระพุทธาได้ว่ า, าไว้มีหลายนัยยะนะ บางคนก็จะให้ความหมายที่พูดถึงเป็นบรรลุผลเป็นพระอริยมรรคพระอริยผลได้แก่โสดาปฏิมรรคโซดาปฏิผลคู่แห่งบุรุษสี่คู่น้ำบริ่งโตได้แปบุรุษนั่นคืออริยบุคคลในธรรมะวนนี้อันนี้ก็เป็นนัยยะที่1แต่ที่เราจะได้ยินกันโดยทั่วๆไปแต่คนประเสริฐต้องระดับโสดาบันโซดาบันที่เป็นกําลังไปโซดาบันก็มีโซดาบันที่สําเร็จแล้วก็มี เป็นโซดาบันปฏิมากโซดาบันปฏิพ์มีอยู่อันนี้ก็ก็เป็นไปอีกในยัดที่1นนะึโสดาบันก็วัดกันที่สังโยชนะ์เนี่ยเบื้องตาม3มอย่างกขละได้ทีนี้นี่คือในยัดที่1นึ้วใ น, ะนยะต่อมาในายัดที่2ก็ได้เคยตรัสว้ในเกี่ยวกับบุคคลที่มีศีลน่ยนะมีศีลขึ้นไปแต่งว่าคุณเป็นลักษณะของอริยะบุคคลละยังไม่ได้บรรลุคุณธรรม ในโสดาบันขั้นไหนก็ไดก้ก็แล้วแต่แต่ว่าก็เป็นคนประเสริฐคนดีได้แต่คนประเสริฐคนดีตัวอย่างเช่นก็เคยยังได้ตรัสถึงตัวพระองค์เองตอนนั้นเป็นบริษัทแต่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรือไม่ได้เป็นโสดาบันไม่ได้เป็นโสดาบันสกทาคาเมียนาคามีหรืออรหันต์ขั้นใดขั้นหนึ่งเลยนะไม่ได้เป็นในตามอริยะแรกนั้นแต่ก็บอกว่าตัวพระรงองค์เองเนี่ยเป็นอริยะนะเป็น บุคคลประเสริฐเหมือนกันเพราะอะไรนะเพราะว่าละเจ้าอากุศลธรรมต่างๆมีการพูดโกหกบ้างละได้่ละความคิดชั่วคิดไม่ดีละได้ละความขี้เกียจได้พวกนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในพระอริยเจ้าในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายและพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยเขามีการดํารงชีวิตความเป็นอยู่กันอย่างไรแล้วก็ได้เคยตรัสไว้ในหมวดของที่เรียกว่าหมวด ทศกษะนิบาศน่นะคือหมด10นั่นเองอยู่ในอังคุตรนิกายน่นะเรียกว่าลักษณะความเป็นอยู่ของบุคคลดีนะคนดีคนประเสริฐนะมันเป็นหลายๆนัยยักษขึ้นไปนะคือถ้า10อย่างนี้คุณได้หมดเลยเนี่ยเฮประเสริฐสุดเลยประเสริฐสุดมากๆเลยถึงการเป็นพระอาหารหันต์นู่นเลยนะประเสริฐสุดจริงๆแต่นี้ถ้า10ข้อเราได้บ้างไม่ได้บ้างความประเสริฐก็ลดหลังลดหลังลดหลั น, ลลนก็ลงมาลงมาลงม า, งมานะัก็จะไล่ให้ฟังว่า สิบ อ, อย่างนั้ไม่มีอะไรบ้างอันะดับแรกนะเป็นผูท้ที่ละองค์5ได้ขาดละอะไรได้ไ อ, องค์5นี่ยนะก็คือนิวรณ์ทั้งหลาย5ประการนะละความอยากความเพ่งเล้งนะอภิชาและก็การมันทะละได้อันะที่2คือละความพยาบาทคือความไม่พอใจความขึงเครียดความไม่ดีก็นะที่สองคือความพยาบาทอันที่3มคือ ความงโงเงาหาหนอนหรือทีนามิทะ 4. ก็คือความฟุง้งซ่านรำคารใจหรืออุทธจกุกุจะและ5คือความเคลือบแคลงระแวงเห็นแยง้งเนี่ยนี้จะไม่มีในในจิตของบุคคลผู้ประเสริฐคนดีคนที่เขาดีๆคนที่เขามีจิตใจสูงเนี่ยจะไม่มี5 อ, อ, อย่างนี้เป็นผู้ที่ละองค์5ได้ขาดแลอย่างที่2ก็เป็นผู้ที่ประกอบพร้อมด้วยองค์6 6อย่างมีอะไร ก, ก็คือเป็นผู้ที่ไม่ว่าจะได้ยินเสียงด้วยหูได้เห็นรูปด้วยตาดมกลิ่นด้วยจมกูกริมลดด้วยลิ้นสมบัติปุะปุด้วยกายหรือรู้ธรรมรมณ์ด้วยใจก็ตามก็ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ได้เนี่ยมีสติสัมปชัญญะนอุเบกขาในที่นี้หมายถึงการวางเฉยแน่วางเฉยไม่ วันไว้ไม่สะดุ้งสะเทือนไปตามสิ่งที่มากระทบคือไม่ทั้งดีใจไม่ทั้งเสียใจนะไม่ดีใจไม่เสียใจแต่ว่าอยู่นิ่งๆได้วางเฉยได้นั่นคือลักษณะของอุเบกขาในอะไรในสิ่งที่มากระทบทั้งหลายมันมีมากระทบทางไหนได้บ้างมันก็ได้6ช่องทางแตนะ่พระพุทรเจ้าจึงบอกตรงนี้ว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์6กอย่างนะ6อย่างก็คือรักษาอินทรีย์ของตัวเองได้ นะรักษาได้แล้วจิตก็ไม่ดีใจไม่เสียใจมีสติสมัจัญญาอยูนะ่นี่คือข้อที่สองอย่างที่สาม น, นเครื่องอยู่ของคนดีคนประเสริฐนะในโลกนี้เขาจะมีการรักษานะรักษาจิต ด, ด้วยสตนะินี่คือข้อที่สามนะต้องมีสติในการรักษาจิตตลอดอย่างที่ข้าพเจ้าเคยพูดอยู่เสมอว่าอินซีเนี่ยนะมันจะเป็นที่เล่นไปสู่จิตอินรีนะมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย รวมถึงใจด้วยนี่แหละมันจะพุ่งเข้าไปสู่จิตของเรานั่นคือลักษณะของในพวกที่เห็นรูปด้วยตาใช่ไหมรูปเนี่ยมันจะผ่านเข้าไปในจิตของเราก็ผ่านทางตาเสียงจะเข้าไปในจิตของเราก็ผ่านทางหูนรสชาติอะไรต่างๆ ม, มันจะเข้าไปจิตของเรามันก็ผ่านทางลิ้นในพวกตาหูลิ้นนี้จะเรียกว่าเป็นอินรีนั่ะเป็นช่องทางมีความเป็นใหญ่ในเรื่องการเห็นรูปการได้ยินเสียงการลิ้มรสเป็นตน้นแต่สิ่งที่มันเข้ามานี้ แล้วก็คือว่ามันจะวิ่งเข้าไปสู่จิตถ้าจิตนั้นไม่มีสติรักษานล้วมันก็จะวันไหวขึ้นลงนะไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มากระทบนั้นแล้วนะเราก็จะตกเป็นทาตของมนันทาตของสิ่งที่มากระทบทาตของมนันนะมันผู้ใจบาปก็จะทําอะไรกับเราก็ได้แต่ผู้ที่มีสตนะิจิตเนี่ยจะเป็นที่ล่นไปสู่สติเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราไม่มีสตินะเราก็จะสั่นวันไหวนะไปตามสิ่งที่มากระทบ แต่ถ้าจิตเรามีสติในสติรักษาจิตจิตนี่แหละจะลั่นไปสู่สตินะมันก็จะไม่ถูกดึงไปแตนะ่ถ้าฟังลองนึกถึงภาพด้านขวานะเป็นสิ่งที่ผัสสะทั้งหลายพุ่งมาพุ่งมานะแล้วก็ตรงกลางนี้เป็นจิตแตนะถ้าจิตเราไม่มีที่มั่นที่รื้อก็จะถูกผัสสะพวกนี้ดึงไปดึงไปนะในขณะเดียวกันถ้าด้านซ้ายเรามีสติอยู่นะเอาใจของเราปูไว้กับสติทางด้านซ้ายด้านขวามันจะดึงมายังไงจิตนั้นก็ยังมีสติเป็นที่เกาะ เป็นที่พึ่งเป็นที่ให้ตั้งมั่นอยู่ลนนักษณะนี้นี่คือข้อที่3ที่เรียกว่ามีอารักขานะคือมีสติรักษาจิตนั่นเองแล้วข้อที่สนีะ่เป็นผู้ที่มีการพนักพิงสีด้านนะจะพิงไปทังไหนซ้ายขวานหน้าหลังก็มีที่พิงหมดไอพิงเนี่ยมันพิงอะไรแล้วนะก็พูดถึงการที่เราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็พูดถึงการที่ต้องพิจารณาก่อนแล้วนะพิจารณาก่อนอะไร พิจารณาก่อนการเสพก่อนการที่จะใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างประสงค์จะห่มจีวรต้องพิจารณาก่อนนะก่อนการเสพจีวรคือการห่มจีวรก่อนรับประทานอาหารนะก็ต้องพิจารณาก่อนก่อนการรับประทานอาหารนะจะกินยานะก็ต้องพิจารณาก่อนการกินยานี่ก็เรียกว่าพิจารณาแล้วจึงเสพในอย่างที่2องในข้อที่4นี้นะผนังพิงด้านที่2คือการพิจารณาแล้วจึงอดกลั้น ในแล้วจึงอดกลั้นอย่างเช่นอะไรกินข้าวกินข้าวอย่างนี้คํา2คําแรกต้องพิจารณาพิจารณาไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกระทั่งคําที่10คําที่2 0่มันเริ่มอิ่มแล้วเริ่มอิ่มละต้องรู้จักพอละต้องรู้จักงดละต้องรู้จักบรรเทาละแต่ตรงนี้ก็คือเป็นการที่ต้องพิจารณาแล้วอดกลั้นพิจารณาแล้วเว้นขาดพิจารณาแล้วบรรเทาแล่สีอย่างนี้นะคือต้องมีการพิจารณาอยู่ในทุกอย่างเลยอะ พิจารณาแล้วจึงเสพนี่ข้อที่1พิจารณาแล้วจึงอดกลัน้นนะไม่เสพแต่พิจารณาแล้วจึงเว้นขาดเว้นขาดคือไม่เอาเลยน ะ, นะแล้วข้อที่4คือพิจารณาแล้วจึงบรรเทานะกินให้พอประมาณอย่างนี้เป็นต้นนี้คือยกตัวอย่างในเรื่องของการกิ น, น, นแต่ในเรื่องของการห่มผ้าจีวรเรื่องประจัยสีนี่แหละไม่ได้มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลยในเรื่องของปัจจัยสนี่ก็ในยติหน่1เรื่องของการเสพคบกับบุคคลเรื่องของการใช้สถานที่เสนาสนะ เรื่องของการเลือกที่อยู่แต่ที่อยู่บางที่เนี่ยเราต้องพิจารณาก่อนเราถึงจะเข้าไปอยู่ได้อยู่ไปอยู่ไปอา้าวจะพิจารณาเอาจะจะหลีกออกจะละเว้นก็ต้องพิจารณาก่อนเหตุอะไรควรเว้นมีไหมแต่ต้องพิจารณาอยู่ตลอดจึงมีเขาเรียกว่ามีที่พิงนะมีที่พึ่งพระเจ้าจึงอธิบายในข้อ4ตรงนี้่ของเครื่องที่เป็นอยู่เครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าเนี่ยคือมีพนังพิงสีด้าน แต่ไม่ว่าจะคุยกับใครเราจะพูดสิ่งนี้ไหมหรือเราจะอดกลั้นเอาไว้ในการที่จะไม่พูด เ, เราพิจารณาแล้วว่าพูดแล้วมันจะไม่ดีเราก็อดกลั้นเอาไว้แต่หรือพูดแล้วมันจะมันจะดีเราก็พูดได้พูดแล้วมันจะไม่ดีเราก็พูดนิดนึงอย่างเป็นการบรรเทาอันนี้ต้องมีการพิจารณาข้อที่4ทีนี้ข้อถัดมาคือข้อที่5ของความเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าคนดีๆเนี่ย อาจจะนุ่งเหลืองโกนผมหรือจะห่มขาวไม่โกนผมหรือจะเป็นคารวาสก็แล้วแต่แต่ที่เป็นคนประเสริฐอาจจะเป็นโสดาบันหรือไม่ใช่ก็ได้แต่เป็นคนดีัจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งใน10ข้อนี้ข้อที่5ที่กําลังจะพูดถึงอันนี้ก็คือว่าเป็นผู้ที่สละความเห็นในความทิฐิมิจฉาทิฐิเนี่ยทั้ง10อย่างเนี่ยสละออกนะไม่เอาพระพุเจ้าอธิบายว่าเป็นผู้ที่ถอนความเห็น ว่าจริงดิ่งไปคนละทางอะไรที่เป็นความเห็นที่เป็นในทางสุดโต่งนะสองข้างเช่นว่าโลกเที่ยงอย่างเดียวเท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหมดหรือว่าโลกไม่เที่ยงอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหมดความเห็นพวกนี้เราเราไม่มีเนะเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฐนะิทอนความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฐิเหล่านั้น นะไม่เชื่อเรื่องกรรมบ้างตายแล้วศูนย์บ้างาพวกที่ไม่เชื่อการมาการไปของพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีพวกนีนะ้เป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ละไอ้เจ้ามิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นเสียนะนี่คือต้องถอนความเห็นเหนะมือนถอนตะปูออกถอนเรื่องตรึงใจออกนั่นเองแต่วนะเขาก็จะเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐนะิในข้อที่ห้านี้ไดนะ้ข้อที่หกนะสำหรับทำเป็นเรื่องอยู่ของพระอริยเจ้า ก็คือเป็นผู้ที่ละการสแสวงหานะสแสวงหาอะไรนะอะไรที่เรียกว่าละการสแสวงหาสแสวงหาแบบไหนควรจะละ2 อ, อย่างนะคือการละการสแสวงหาการมละการสแสวงหาพบนะคือที่จะต้องไปเกิดอีกเนี่ยไม่ต้องหาแล้วมันไม่มีแล้วนะจบแล้วนะนี้ก็หมายถึงว่าการประบรติพระมาจันนั้นจบสิ้นแล้วนะนี้คือระดับของระอาหารหันหละในข้อที่6นี้นะละการสแสวงหาการมหมายความว่าไง หมายคามาเป็นผู้ที่ไม่ได้ยินดีพอใจนะหรือว่าจะต้องไปสแสวงหาสิ่งที่เป็นการมคุณต่นะางๆหูจมูกลิ้นกายทําไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าจิตนั้นถึงสภาวะที่ที่เว้นแล้วจากการสแสวงหาสิน้นเะชิงเรื่องการสแสวงหาพบนะจริงๆพบที่พูดถึงการมาพบก็มีรูปประพบก็มีรูปประพบก็มีนะทําไมถึงละพบไดนะ้ก็เพราะว่าละเหตุของการที่จะไป มีพบใหม่ได้คือเรื่องของความยึดถือนั่นละตรงนั้นได้แต่พบก็ไม่มีก็เป็นผู้ที่ว่าถอนตัณหาถอนอวิชชาได้นั่นเองหละการสแสวงหาตรงนี้นี่มีข้อที่น่าสังเกตตรงนี้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังมีกิเลสอยู่ยังมีอวิชชาอยู่ยังมีตัณหาอยู่ไอ้เจ้ากิเลสตัณหาวิชชาเนี่ยจำฟังเป็นเครื่องต่อนะต่ออะไรต่อพบต่อชาติแล้วนะพบนี้เอาเราตายจากนี้มันต่อพบให้ อะไรต่อให้ก็กิเลสตัณหาอวิชามันต่อให้แต่ถ้าเราละกิเลสตัณหาอวิชชาได้การต่อพบต่อชาติไม่มีพนะระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าละการสแสวงหาพบนะตัดเครื่องต่อตรงนี้ออกได้นะก็ไม่ได้สแสวงหาที่จะเอาอะไรในพบนั้นอีกอันะนี้คือข้อที่6ข้อถัดมาสําหรับคนที่มีจิตระดับเป็นพระเรียเจ้านะก็คือเป็นผู้ที่ มีความคิดไม่ขุ่นหมัวในจิตใจไม่ขุนหมัวยังไงเรียกว่าขุนหมัวจิตที่ขุนหมัวเศร้าหมองเปรอะเปื้อนและเราก็ทะมึนทึงอยู่ก็เป็นลักษณะของจิตที่มีความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทแล้วก็ความคิดในทางเบียดเบียนพูดง่ายๆคือมิจฉาสังกปานั่นแหะแต่ถ้าเราละมิจฉาสังกปะทำสัมมาสังกปะคือความดําริชอบได้เนี่ยก็ชื่อว่ามีความดําริไม่ขุนหมัว นะจิตที่ไม่ได้เปื้อนอยู่ด้วยอกุสโตรธรรมกนะ็คือความคิดทางกา ร, รพยาบาทเบียดเบียนพวกนี้นะ่ะจิตก็มีความสว่างสวัยนะไม่มีเรื่องข้องเรื่องกังวลเรื่องเศร้าหมองถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับภาชนะสัมบริสนะหรือว่าภาชนะสัมบริษที่เขาขัดดีแล้วนะ่ะใจกันทองเหลืองอย่างนี้ขัดดีแล้วหัวเข็มขัดขัดดีแล้วรองเท้ารองเท้าที่ใส่ขัดอย่างัดอย่างมั่นขัดอย่างดีนะก็เป็นเหมือนกับใจที่มีความดําริไม่กุ่นหมวัว ใจจะเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีความเครื่องอยู่อย่างพระอริยเจ้าตรงนี้ไม่ได้หมายถึงพระอราหันต์เท่านั้นนต่ไม่ได้หมายถึงพระโสดาบันเท่านั้นแต่ใครก็ได้ก็าสามารถทําข้อ น, นี้ได้เหมือนกันแต่เป็นปุถุชนคนธรรมดาที่ยังละกิเลส ไ, ไม่ได้ทั้งหมดยังละเครื่องร้ายรัดไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าทําข้อ น, นี้ได้มีสัมมาสังกัปปะเราก็ชื่อว่าใจนั้นประเสริฐเหมือนกันขอ้อถัดมาในเรื่องของความเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ ทำกายกายสังขารนั่นคือการปรุงแต่งทางกายให้ระงรับยังไงเรียกว่าการปรุงแต่งทางกายระงรับพรุจ้าให้มาตรฐานเอาไว้คํานี้ท่านฟังอาจจะสังเกตว่าพระพุทธ้าก็ เ, เคยพูดอยู่เรื่อยๆนะมีการปรุงแต่งทางกายระงรับแตนะ่ซึ่งบทเพยียรชนะตรงนี้แค่ถ้อยคําที่ว่ามีการปรุงแต่งทางกายระงรับเนี่ยมันจะไปโผล่อยู่ในอนานาปานสติสูตรก็มีอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรก็มี ในที่บอกถึงว่าให้ภิกษุหรือให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าหายใจออกแต่ทําการศึกษาฝึกฝนในการที่จะทําตัวเองให้เป็นผู้ที่มีการปรุงแต่งทางกายระงับยังไงถึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีการปรุงแต่งทางกายรงะงับหลายหลายคนก็จะตีความว่างั้นไม่ขยับตัวไม่ได้พลิกท่าอะไรต่างก็หลายคนตีความกันไปในทีน่นี้พระชาติอธิบายไว้ชัดเจนบุคคลที่มีการปรุงแต่งทางกายระงับเนี่ย คือบุคคลที่ได้ฌานสี่นะตัตตะว่าอย่างไงบอกว่าคนที่ละสุขและละทุกข์ียได้แเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่4นะ่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี่ตรงนี้ียกว่าเป็นผู้ที่มีการปรุงแต่ง่างการระงับสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอา พอสุขก็ไม่ได้ปรารถนาไม่หวันไไวไปตามความสุขที่ได้หรือไม่ได้ความทุกข์ก็ไม่ได้ปรารถนาไม่ได้หวันไไวไปตามความทุกข์ที่ไม่ได้หรือทุกข์ที่ได้แล้วก็เป็นผู้ที่สบายแล้วเรจะมีลักษณะที่เรียก ว, ว่ามีกายสงบระงับมีใจสงบระงับก็เป็นลักษณะของปัจสอันหนึ่งเหมือนกันนะปัจสถานแปลว่าความสงบระงบับผู้ที่จะมีความสงบระงับระดับนี้ได้เนี่ย เรเป็นผลมาจากการที่จะมีความอิ่มือบใจความสบายใจอยู่ระดับหนึ่งจิตมันไม่ต้องไปพบวงกับสิ่งที่เป็นภายนอกนะการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นเป็น ใ, นในรูปภายนอกเนี่ยเราไม่ได้กังวลขัดข้อหมองใจละเราก็สบายอยู่ในภายในนะและอาการที่เราไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามสิ่งภายนอกเนี่ยนี่คือความสงบระ ง, งับในที่นี้หมายถึงการระ ง, งับทางกายนะกายระ ง, งับก็เป็นผลมาจากการที่จิตนั้นไม่หวั่นไหวไปตามความสุขความทุกข์ นี่คือเข้าข่ายลักษณะของฌานที่4ี่เรื่องของฌานที่4ีนี้ยังเคยมีอธิบายไว้อีกในย่านหนึ่งนะที่พูดถึงว่าไออาการที่มีอุเบกขาเนี่ยต้องทั่วตัวนะเหมือนกับคลุมคนที่คลุมผ้าขาวตั้งแต่ศตรีรษะจนถึงเท้าเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ไม่ได้ถูกคลุมเนี่ยไม่มีเลยเนะช่นเดียวกันถ้าเราจะมีอุเบกขานะก็ทั่วตัวแตนะ่ถึงจะเป็นรายละเอียดในเรื่องฌานสีที่ละเอียดขึ้นไป นอกจากาการที่เป็นผู้ที่มีกายระงับแล้วนักอธิการพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงคนที่มีจิตหลุดพ้นด้วยดีในะจิตหลุดพ้นจากอะไรก็คือจิตหลุดพ้นจากราคะหลุดพ้นจากโทสะหลุดพ้นจากโมหะยังไงเรียกว่าหลุดพ้นนะหลุดพ้นด้วยดีเนี่ยหมายความว่าเป็นผู้ที่ไกลาจากกิเลสนั่นเองในกิเลสเนี่มันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากัะานูฟัง กิเลสเนี่ยมีผัสสะเป็นแดนเกิดผัสสะมาอย่างไงก็มาทางอินทรียนะ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมากระทบพวกเขาให้นะกิเลสมันจะเกิดขึ้นวาบทันทีเกิดมาตามอะไรก็ตามลักษณะอาสะวะนะของบุคคลบุคคลนั้นผัสนะสะมาแบบเดียวๆียวกันท่านผู้ฟังสองท่านฟังธรรมะอันเดียวกันแต่ว่าพอธรร ม, มะนี้ไปสัมบัติจิตผ่านทางหูเหมือนกันแต่หูของคนละคน ในเข้าไปจิตของท่านผู้ฟังท่านที่หนึงท่านผู้ฟังท่านที่2องตัวข้าพเจ้าคนอื่นๆฟังฟังไปนะไอ้สิ่งที่ตอบสนองตรงนั้นออกมาเนี่ยมันต่างกันเห็นคนละมุมคิดคนละอย่างได้ยินคนละเรื่องพิจารณาไปคนละแนวเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของจิตมันต่างกันนั่นคืออสวะที่กิเลสอบรมมาแตนะเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเกิดแล้วนะแต่เราก็ถ้ามันไม่มาตั้งอยู่กลุ่มรุมในจิต นะไม่เข้าไปตั้งอยู่ไม่กลุ่มรุมในจิตนั่นชื่อว่าเป็นผู้ที่ไกลาจากกิเลสนะกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปอยู่ในจิตนะจิตก็ส่วนหนึ่งกิเลสก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งนี่คือลักษณะของคนที่ไกลาจากกิเลสนะคือกิเลสเนี่ยไม่ได้ตายจากไปนะถ้ายังมีพัรษาอยู่กิเลสมันเกิดได้แหนทนะำทั้งหลายเกิดแต่เหตุถูกไหมล่ะถ้ามีพัรษาอยู่กิเลสอาจจะเกิดได้แต่กิเลสที่เกิดมาราคะโทสะโมหะพวกนี้ไม่ได้ มาแทรกซึมอยู่ในจิตไม่ได้มาตั้งอยู่กลุ่มรุมอยู่ในจิตในะจิตที่เป็นอย่างนี้คือไกลาจากกิเลสละมันอาจจะใกล้กันอยู่มันจะติดติดกันอยู่เนะีเปรียบเสมือนกับแกงน้ําแกงเราเนี่ยนะที่เรากินอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยน้ำแกงเนี่ยคุณเอาช้อนลงไปตักหรือคุณเอาทับพีลงไปตักไอ้น้ําแกงมันไม่ได้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อของเหล็กสแตนเลส ท, ทับพีหรือว่ากระเบื้องที่เราเอาเป็นช้อนหรือทับพีไปตักสิ่งนั้นมันไม่ได้แทรกซึมเข้าไป เหมือนการจิตของเราก็ส่วนหนึ่งแต่กิเลสมันอาจจะเกิดขึ้นอยู่แต่มันแยกไปจึงเป็นศัพท์เทคนิคที่ปริชาใช้คําว่าใกล้จากกิเลสพูดภาษาอยากๆฟังนิดนึงก็อารหันนั่นเองนะพระอารหันอารหันเนี่ยคือไม่ใช่หันไปหันมานะแต่อารหันเนี่ยคือใกล้จากกิเลสแต่ไม่ใช่ว่ากิเลสตายนะหรือไม่ใช่ว่ากิเลสไปอยู่โน่นไม่ใช่แต่มันอาจจะอยู่ใกล้ๆกันอยู่แต่มันคนละส่วนกันน่ยแยกกันไปในลักษณะที่ อธิบายให้ฟังนี้นี่คือระดับพระอาหารหันต์นะว่าไงเอะนะอ่นนาเป็นผู้ที่มีจิตหลุดพ้นด้วยดีอ่าข้อสุดท้ายในเครื่องอยู่ทำเครื่องอยู่ของพระอริยะเจ้านะคนที่เป็นคนประเสริฐคนดีคนสูงอ่าจะมีข้อที่สิบนี้ด้วยนะคือเป็นผู้ที่มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีนะีมีปัญญาในการหลุดพ้นด้วยดีหมายความว่าไงอ้าอธิบายไว้ตรงนี้บอกว่า ย่อมรู้ชัดนะืรู้ชัดว่าเราละราคะโทสะโมหะเสียได้แล้วถอนขึ้นได้กระตั้งรากทําให้เหมือนตาญอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปอันะนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีข้อที่เก้านี่มันฟังเหมือนคล้ายๆ ข, ข้อที่10บนะท่าู้ฟังว่างไหมแต่นะข้อที่เก้าเป็นผู้ที่บอกว่าเป็นผู้ที่มีจิตหลุดพ้นได้ดีหลุดพ้นจากอะไรราคะโทสะโมหะ ข้อที่๙บอกว่าเป็นผู้ที่มีจิตหลุดพ้นด้วยดีนะ่ยจิตหลุดพ้นจากราคาโทสะโมหะข้อที่10บอกว่าเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีมีคําว่าปัญญาเพิ่มขึ้นมาเอาละอธิบายว่าไงคือรู้ชัดนะรู้ชัดในที่นี้หมายถึงยังไงมีสัมปชัญญะใช่ไหมในความหลุดพ้นนั้นในอะไรก็ในการที่เราละราคาโทสะโมหะได้นี่ยมันเหมือนกับอลอยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเราจะพูดยังไงคือตัวเองหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ชัดด้วยว่าตัวเองอะหลุดพ้นแล้วคือรู้นั่นแหละว่าตัวเองเป็นพระอรหันตะ์รู้ชัดมีสติสัมปชัญญะรู้ชัดถึงความที่ตัวเองนั้นหลุดออกจากราคะโทสะโมหะแล้วความรู้ตรงนี้ข้อที่9ข้อที่10นี้นะมันต่างกันตรงที่ว่าการที่เหมือนกับเราเหนือขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะบางคนละราคะโทสะโมหะได้จริงนะแล้วก็ไกลาจากมันจริง นะแต่ยังไม่มีปัญญารู้ชัดไม่มีปัญญารู้ชัดนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นพระอาหารหันนะแต่ก็จะอธิบายว่าเป็นพระอาหารหันที่ละเอียดลงไปอีกแต่เป็นพระอาหารหันที่ที่เลิศขึ้นไปอีกนะรู้ชัดมีสติรู้ชัดในการที่ตัวเองนั้นละจากราคะโทสะโมหะได้หรือพูดอีกในย้หนึ่งก็คือว่ามีความละเอียดในการที่เราบรรลุตรงนั้นเข้าไปแต่ฝั่งที่อาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้ก็ยกไว้ก่อนก็ได้ แล้มีทั้ง10ข้อข้อไหนเราทําได้เราอยู่ได้เราอยู่ไปก่อนข้อไหนเรายังอยู่ไม่ได้เราทำไม่ได้เราก็ค่อยๆทําไปทําข้อที่เราทําได้ไปก่อนข้อที่9ข้อที่10นี่เป็นเรื่องละเอียดละเป็นสําหรับพระอรหันต์ละนะไกลจากกิเลสด้วยเราก็รู้ถึงความที่ตัวเองนั้นไกลจากกิเลสด้วยนี่คือข้อที่9และข้อที่10ทบทวนอีกครั้งหนึ่งท่านผฟังน่าไล่ไปจากข้อที่9ที่10เอาเรื่องของคุณสมบัติของจุดที่ว่าเป็นพระอรหันต์ก่อนคือไล่มาตั้งแต่ ละราคาโทสะโมหะได้หลุดพ้นจากราคาโทสะโมหะแล้วก็รู้ชัดด้วยนะว่าตัวเองหลุดพ้นจากราคะโทสะโมหนะนนี่คือข้อที่เกข้อที่สิบที่พูดไปเมื่อสครู่ความเป็นพระอรหันต์อีกอย่างหนึ่งก็คือละเรื่องของกามละเรื่องของภพการสแสวงหาพระมจริยนี้ก็จบละนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่ละการสแสวงหาสิ้นเชิงอันนี้คือ3ข้อของความเป็นพระอรหันต์ใน10ข้อนี้นถ้าใครได้3ข้อนี้ด้วย คุณเป็นพระอริยเจ้าคนดีคนประเสริฐขั้นสูงละแต่ขั้นที่รองๆ ล, ง, ลงมาสามอย่างนี้คือพูดถึงลักษณะของปัญญานะผู้ที่มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีแต่ขั้นรองลองมาก็พูดพูดถึงเรื่องของสมาธิในะสมาธิมีอะไรบ้างก็เป็นผู้ที่มีกายและสังขารระงับได้ให้มาตรฐานเอาไว้อยู่ที่ฌานที่4ในชต่านที่สี่เป็นมาตรฐานของการที่มีกายและสังขารระงับนี่พูดถึงเรื่องของสมาธิในระดับหนึ่งนอกจากนี้ที่เกี่ยวข้องกับสมาธิ นั่นก็คือเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ละเจ้าพวกนิวรณ์ทั้งห้าละนิวรณ์ทั้ง5ละองค์5ได้ขาดสมาธิมันก็จะมาใน2ส่วนนี้นั่นคือส่วนที่ละนิวรณ์ทั้ง5แล้วก็ส่วนเรื่องของฌานทั้ง4ีใน5ข้อที่เหลือนั้นก็จะมีข้อที่เกี่ยวกับสมาธิติอยู่ข้อหนึ่งนั่นคือเป็นผู้ที่ละมิจฉาทิติ่ละความเห็นว่าจริงดีเป็นคนละทางในเรื่องของมิจฉาทิติ10อย่าง โลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างนี่คือ1อย่างที่เรียกว่าเป็นกองสมาสมาทิฐิอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของสมาสังกปะเหมือนกันนั่นคือการละมิจฉาสังกปะได้นั่นละความดำริที่คุณมัวสิ่งที่จะทําให้ใจคุนมัวละออกได้นั่นคือข้อที่2อีก3มข้อที่เหลือนั้เป็นเรื่องของการฝึกสตินั่นคือการที่มีสติรักษาจิต นะมีการสำรวมอินทรีย์แล้วก็มีพนักพิง4ีด้านนั่นะคือการพิจารณาแล้วจึงเสพนะพิจารณาแล้วจึงอดกลั้นพิจารณาแล้วจึงเว้นพิจารณาแล้วจึงบันเทานะสิข้อนี้เป็นลนักษณะความเป็นอยู่ของเหล่าพระอริยเจ้านะเราถ้าเราทําได้สักข้อใดข้อหนึ่งแล้วนะคุณก็มีความเป็นอริยเจ้าในในระดับนั้นอริยเจ้าในที่นี้หมายถึงคนดีคนประเสริฐนั่นเองถ้าเราอย่างเช่นว่าเราอาจจะละ ก, กิเลสยังไม่ได้ล่ะอะ ฉนยังมีกิเลสอยู่แต่ถ้าอย่างน้อยเราละความคิดที่ไม่ดีละความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนได้มันอาจจะได้ส่วนใหญ่อาจจะมีบ้างนิดนหน่อยหน่อยที่จะมีราเข้าโทสะโมหะโพลมาบ้างแต่จิตเราก็ไม่ได้ถึงกับเศร้าหมองไปอย่างนั้นก็ยังมีส่วนที่มีความคิดในทางไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเบ้นจา ก, การามได้อันนี้ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งมีความประเสริฐในใจอยู่ นะหรือว่าก่อนที่เราจะรับประทานอาหารหรือเราจะใส่เสื้อผ้าจะไปเดินทางไปไหนคุณพิจารณาก่อนนะพิจารณาแล้วจึงค่อยไปถ้าจะบอกเขาเว้นฉันไม่ไปหรอกก็พิจารณาก่อนเหตุผลอะไรคุณไม่ไปนะหรือว่าถ้าจะกินอิ่มแล้วหยุดแล้วอ่ะพิจารณาแล้อยังนะว่าจะหยุดตอนไหนนะแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องคอยรักษาจิตด้วยสติด้วยนะรักษาจิตด้วยสตินี่ใครๆก็ทําได้แตนะ่ถ้าคุณมีใจคุณมีกายนั่นะคือลมหายใจ เอาลอมาหายใจมาอยู่กับจิตสติก็เกิดต น, นเองนึงแต่ใครๆก็ทําได้ไม่ได้ยากการที่เรามีสติในอะย่างน้อยก็ข้อนึงละในทั้งหมด10ข้อแต่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีส่วนในความเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าแตนะพระอริยเจ้ามีพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้นมีพระพุทธเจ้ามีพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยถ้าเรามีข้อปฏิบัติอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึง่งก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับพระอริยเจ้าเดียวนั้นแตนะ่ถ้าเรามีสักวันหนึ่งคืนหนึ่ง คุณก็อยู่ใกล้พระเรียกเจ้าเหล่านั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นผู้ประเสริฐนะคนดีคนประเสริฐในสมัยอดีตที่เขาเป็นกันมาเขาก็จะเป็นอย่างนี้ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจะมีมาเนี่ยรุ่นลูกรุ่นห ล, นลานเราเขาก็จะเป็นอย่างนี้แม้ในปัจจุบันนี้นะบางครั้งบางคราวเราก็เป็นได้หรือใครที่เขากําลังเป็นอยู่เขาก็จะเป็นลักษณะประเสริฐในสิบอย่างนี้เหมือนกันนะไม่หนีไปจากตรงนี้นะวันนี้จึงได้ให้ท่านฟังได้ไปทำความเข้าใจครับ ชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าพระอริยเจ้าชีวิตความเป็นอยู่อาจจะเป็นคารวาสก็ได้นะไมันจะป็นต้องเป็นพระสงฆ์โกนผมผมเหลืองอาจจะเป็นคารวาสนุ่งขาวมีผมดําอยู่แต่ยังไม่ได้โกนผมก็มีความเป็นอยู่อย่างนี้ได้ตัวเราเองน้นเราฝึกให้มีความเป็นอยู่ในลักษณะนี้ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระอริยเจ้าเหล่านั้นเหมือนกันเดี๋ยวนี้ครับท่านเจ้าพระพิบุรนภิปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็ ข, ขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามข้อเสนอใดใด ส่งกันมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหันจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าถ้าไปที่เว็บไซต์ก็เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a c o m จริยนผรา